นี่มาขึ้นกัปปะมานวากะปัญหาในเทศที่สิบท่านกัปปะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะอันเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสงสารเนี่ยคือตั้งอยู่ในข้ามกลางวัฏะสังสารวัฏที่มันไหลไปเนี่ยเนี่ย ขอให้พระองค์บอกธรรมะอันเป็นที่พึ่งด้วยเถอะเมื่อห่วงน้าคือเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วผู้อัญชาราและมัจจุถึงรอบแล้วอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ทุกนี้ไม่พึงมีอีกอย่างไรง่ายๆว่าทายังไงพ้นทุกสิ่นต่อไปนี่ไม่ขอให้มีทุกข์อีกอะนะต้องทยังไงบ้าง ภาษาริบุตรท่านนิเทศว่าคำว่าสงสารสงสารคือการมาการไปทั้งการมาและการไปนนะมีมาใช่ไหมแล้วก็จะไปต่อการละมรณะคติพบจากพบจุติอุบัติความบังเกิดความแตกชาติชาราและมรณะ น, นี้เรียกว่ากล่าววสระมันก็หมายถึงวัตตนนั่นเอง คำว่าสังสาระเนี่ยนะมันเป็นชื่อของลำดับขันอายตนาธาที่สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายเหมือนเนี่ยการจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปรู้กลิ่นแล้วก็เป็นไปอย่างเงี้ยจนพบหนึ่งจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเขานิยมเรียกย่อๆในตอนหลังว่าคําว่าสงสารคืออะไรคือเกิดแก่เจ็บตายก็เลยมันเรียกย่อๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าแยกโดยสภาวะ ก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไล่สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายแม้ที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏแม้ที่สุดข้างปลายแห่งสงสารก็ไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ตั้งอยู่เฉพาะพวพรรเข้าถึงติดอยู่น้อมใจไปแล้วในท่ามกลางสงสาร ที่ผ่านมาก็ไม่มีว่ามันมันจากที่ไหนมาเนี่ยนะสมมุติถามว่าคุณลูกจากไหนมาเนี่ยนะผูดสำนวนเหนือนะทางภาคกลางบอกมาจากไหนบอกมาจากบ้านแล้วก่อนจะไปถึงบ้านอ่ะคุณไปจากไหนอะนนะก็บอกเอาไปตลาดมาเอาแล้วก่อนจะไปตลาดมาจากไหนอันนียไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมมาจากนู่นแหละตอนอยู่ในท้องแม่ก่อนจะมาจากท้องแม่มันจากไหน ก็มาจากชาติโน้นอล้วชาติโน้นมาจากไหนไล่อย่างงี้ไปเรื่อยๆไม่มีจบมีสิ้นนะทีนี่ข้างปลายที่จะไปข้างหน้าอีก็ไม่ปรากฏแล้วลุกอย่างนี้คุณจะไปไหนบอกไปบ้านไปบ้านไปไหนต่ออีกไปโน้นต่อไปต่อถ้ามนี้แล้วชาตินะอตายอาตายแล้วเกิดใหม่เกิดที่ไหนต่อะเกิดชาตินั้นตายจากชาตินั้นคุณจะไปชาติไหนต่อไปเรื่อยอย่าๆมันจนเลยไม่ไม่รู้ไม่จบที่ไหน อธิบายว่าที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างไรคือวัตตะเป็นไปแล้วสิ้นชาติเท่านี้พน้พนจากนั้นแล้วย่อมไม่เป็นไป ย, ย่อมไม่มีอย่างนั้น ค, คือไล่ไปนะเออโนชาตโนน่ะชาติก่อนเริ่มไล่ไปไม่มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างนี้นะว่า หรือว่าวัตตะนี้เป็นไปแล้วสิ้นร้อยชาติเท่านี้พ้นจากนั้นแล้วย่อมไม่เป็นไปย่อมไม่มีอย่างนั้นที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าไล่เป็นร้อยชาติไปแล้วก็ยังมีต่ออีกมังหรือเป็นพันชาติแสนชาติเป็นโกดชาติร้อยโกดชาติหรือว่าพันโกดชาติแสนโกดชาติสิ้นปีนะถอยโดยปีโดย ป, โดยปีโดยร้อยปีพันปีแสนปี หรือว่าโดยสิ้นโกรปีร้อยโกรปีพันโกรปีแสนโกรปีเราเอาเป็นกลับก็ได้ว่าสิ้นกับเท่านี้ร้อยกับพันกับสิ้นแสนกับสิ้นโกรธกับร้อยโกรธกับพันโกรธกับแสนโกรกลับียรว่าไล่ไปยังไงก็ไม่มีจบอ่ะเพราะฉะนั้นพ้นจากนั้นแล้วย่อมไม่เป็นไปย่อมไม่มีอย่างนี้ที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏเนี่ยนะไล่เพิ่จะเอาชาติ เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นโกดเป็นร้อยโกดพันโกดแสนโกดหรือว่าจะเป็นปีเนี่ยนะสิน 01, ้นร้อยปีพันปีแสนปีโกดปีหรือว่าแสนโกดปีนี่ไล่ไปก็ไม่มีจบมีสิ้นถ้าจะกล่าวแบบกลับกลับมานะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดเป็นแสนโกดกลับไล่ไปอย่างนั้นก็ไม่มีจบมีสิน้นสมจริงตามพระพุทพธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนพิสูนทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดอันรู้ไม่ได้มีที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏคือที่สุดเนี่ยไม่ปรากฏดูก่อนพิสูนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นไว้มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเสเวยความทุกความพินาศเป็นอันมากตลอดกาลนานพินาศมามากแล้วนะ มากไปด้วยป่าชา้ามาว่าตายแล้วก็ถมป่าชา้าตายแล้วก็ถมป่าชา้าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงสมควรจะเบื่อหนายสมควรจะคลายกำหนัดสมควรจะหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงเพราะเพียงพอแล้วนะสําหรับสังขารทุกชนิดเนี่ยนะมันมันมันเจ็บพอแล้วนะมันทุกพอแล้วเสียใจพอแล้วน่าจะเพียงพอได้แล้วว่างั้น พยัที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏแม้อย่างนี้อันที่ผ่านมาที่ไม่มีจบมีสิน้นที่สุดข้างปลายแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างไรข้างปลายก็คือข้างหน้าต่อไปนี่นะวัตตะจักเป็นไปสิ้นชาติเท่านี้นี่นะสิ้นร้อยชาติพันชาติแสนชาติสิ้นโกรธชาติร้อยโกรธพันโกรธแสนโกรธชาติอย่างนี้ว่าพ้นจากนี้แล้วไมีไม่มี เอาเอาอะไรมาเป็นเครื่องกําหนดว่ามันจะถึงวันนั้นแล้วจะเลิกจะจบจะสิ้นถึงชาตินั้นแล้วจะจบจะสิ้นนี่นะมันก็รออย่างนั้นไปเหอะไม่มีจบมีสิ้นหรอกหรือว่าโดยปีอนะสิ้นปีร้อยปีพันปีแสนปีแสนสิ้นแสนโกดสิ้นนะร้อยโกดพันโกดแสนโกดเนี่ยนะหรือว่าแบบกลับสิ้นร้อยกลับพันกลับแสนกลับสิ้นโกดกลับร้อยโกดกลับพันโกดกลับ หรือว่าแสนโกดกลับมาครันพ้นจากนั้นแล้วจกไม่มีอย่างนี้อะไรเป็นเครื่องวัดว่าเออเนี่ยอีกสามชาตินะอีกพันชาติหมื่นชาติเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่บรรลุโสโดาปติมัคต์นะไม่มีทางว่ากําหนดชาติไม่ได้กําหนดว่ามันจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าโสดาปติมัคยังไม่เกิดเนถ้าไม่ภาคเพียรปฏิบัติให้โสดาปติมัคเกิดขึ้นอันที่สุดที่จะมีต่อไปเนี่ยไม่มีจบมีสิ้น เปรียบเทียบเหมือนว่าน้ำํำทะเลเนี่ยนะทะเลมหาสมุทรเนี่ยทุกขของพระโสดาบันเนี่ยเหลือเท่ากับน้ำเจ็หยดทุกขของปุตุชนทั้งหลายก็เหมือนกับ น, น้ําในทะเลทั้งหมดนี่แหละหรือว่าทุกขของพระโสดาบันเท่ากับก้อนกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนะเจเม็ดทุกขของปุตุชนทั้งหลายที่เหลือก็เท่ากับแผ่นดินเพราะอะไรเพราะว่าปุตุชนทั้งหลายยังไม่ทําโสดาปฏิมรคให้แจ้ง ทันถ้าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้โสดาปติมมัคเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่ามันจะจบนะถึงเวลานั้นและจะจบจะสิ้นเนไม่มีแต่ว่าที่กําลังเป็นอยู่ล่ะว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ตั้งอยู่เฉพาะพัวพันติดอยู่น้อมใจไปแล้วในถ้ำกลางสงสารเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสงสารทุกคนนี่อยู่ตรงกลางหมดเลยไม่รู้ต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงกลางหมดนะ นั้นคําว่าเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วความว่าเมื่อกามะโอฆะภวะโมฆะทิฏฐิโมฆะอวิชโชฆะเนี่ยเกิดแล้วบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วคําว่าเมื่อภัยใหญ่มีแล้วคำ ว, ว่าเมื่อาชาติภยัยชราภัยพยาธิภัพพยมรณะภัยมีแล้วนัวสรุปว่าเมื่อกิเลสก็เกิดภัยก็เกิดทุกคนเนี่ยตั้งอยู่ในท่ามกลางวัตฏ์เนี่ยนะ อกิเลสือท่วมทับโอฆะนะกามโอคะพโวคฆอวิโชคะก็ท่วมทับนะ ท, ท, ทุกคนมีภัยเหมือนกันหมดคือชาติชาราพยาธิมรณะเนี่ยแล้วก็เมื่อมีชาติชาราพยาธิมรณะก็มีที่โสกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปายาตครอบงำย่ายีอีกคําว่าผู้อันชาราและมัจจุถึงรอบแล้วความว่าผู้อันชาราถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้วอันมัจจุถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้ว อันชาติเป็นไปตามชาราก็แล่นตามพญาที่ก็ครอบงำ ม, มรณะก็ห้ำหันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อันชาราและมัจจุถึงรอบแล้วนะก็ทุกคนก็เหมือนกันหมดนะนะแ ก, ก่ทุกวนันทุกวันเรื่ความตายก็มาห้ำหันตัดไปนะเรียกว่าพอทําลายไปก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกนั่นแหละนะเหมือนกับว่า เตือนทงานนะนะตั้งกระเช้าจุดเย็นเดี๋ยวเช้าก็เริ่มใหมก่ก็เริ่มอยู่อย่างงั้นนะไม่มีจบมีสิน้นคำว่าข่าแต่พระองค์พู้ในรทุกขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งคือขอพระองค์เนี่ยตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นสาระเป็นคติที่ไปะนะขอช่วยได้โปรเถ อ, อะนะช่วยให้มันพ้นสักทีหนึ่งไอ้วะตะัตรเนี่ย ผมขอพระองค์เนี่ยโปรดบอกธรรมะเป็นที่พึ่งคือที่พึ่งที่ต้านทานที่ซ่อนที่เร้นสาระธรรมะเป็นคติที่ไปก็ตรงประเด็นว่าทุกนี้ไม่พึงมีได้อย่างไรคือทุกนี้พึงดับคือพึงสงบพึงตั้งเอ่อพึงถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พึงระงับไปในภพนี้นี่แหละคือทุกอันมีในปฏิสนธิไม่พึงบังเกิดอีกคือไม่พึงบังเกิดไม่พึงเกิดพร้อมไม่พึงบังเกิดในการมาท่ารูปธาตุอรูปธาตุ คือทำยังไงที่นี่ก็จะไม่อยู่แต่ก็ไม่ไปไหนด้วยนะทำไงกันเนี่ยมาเอาพบใหม่ด้วยพบนี้ก็ไม่เอาทันั้นภพใหม่ก็ไม่เอาพมันไม่เกิดในการมาธาตุรู ป, ปาธาตุอรู ป, ปาธาตุในการมาภพรูปภพอารมูปภพในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญายตนะภพหรือเอกโวการาภพจตุวโการาภพปัญจโวการาภพในคติใหม่อุบัติใหม่ปฏิสนทีใหม่ในภพสงสารหรือในวัตะ นะนะพึงดับสงบพึงถึงตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับไปในภพนี้นี่แหละอย่างไรนะทุกนั้นอาจจะพึงหมดจะพึงดับได้อย่างไรจะบอว่าข้าแต่พระองค์พูดในรทุกข์ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึง่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสงสารเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วผู้อัญชราและมัจจุถึงรอบแล้วอั น, นึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึง่งแก่ข้าพระองค์ พวกนี้ไม่เพิ่งมีอีกอย่างไรนะ่นะอ๋ออยากมีที่พึ่งนะเนะ่ยบ่อแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนกับปะเราจะบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสงสารเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วภัยใหญ่มีแล้วผู้อัญชรและมัจจุถึงรอบแล้วดูก่อนกับปะเราจะบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ท่านนี่นะ ผมก็รับว่าจะบอกธรรมะที่เป็นที่พึ่งนะภาษาริบุตรท่านนิเทศอธิบายว่าสงสารคือการมาการไปทั้งการมาทั้งการไปกาลมรณะคติพบจากพบจุติอุบัติความบังเกิดความแตกชาติชราและมรณะเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเรียกว่าสงสารที่สุดข้างต้นและข้างปลายของสงสารย่อมไม่มีเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ตั้งอยู่เฉพาะ เข้าถึงติดอยู่น้อมใจไปอยู่ในถ้ำกลางสงสารนะทุกคนเหมือนกันกําลังตั้งอยู่ในถ้ำกลางสงสารคือเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วนะห่วงกิเลสก็คือกามโมคะพะโวคะทิโขคะวิชโชคะเนี่ยเมื่อภัยใหญ่ก็คือชาติภยัยชราภายัยพยาธิภยัยมรณะภัยมีแล้วผู้อัญชราและมรณะเนี่ยถึงรอบแล้วความว่า ผู้อัญชรลาถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้วอันมัจจุถูกต้องถึงรอบประกอบแล้วอัญชาตไปตามชราก็เล่นไปพยาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันไม่มีอะไรเป็นที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นเราจะบอกธรรมะแก่ท่านนะจะบอกธรรมะอันเป็นที่พึ่งแกท่านนะคือธรรมะเป็นที่พึ่งที่ต้านทานที่ซ่อนเร้นสาระ นะธรรมะเป็นคติที่ไปอันเราจะขอบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแกสัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสงสารเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วผู้อันชะลาและมรณะถึงรอบแล้วดูก่อนกับปะเราจะบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแกท่านเราขอบอกนิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่น ไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจจุนี้นั้นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งนิพพานอย่างเดียวจึงจะเป็นที่พึ่งได้คําว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะในคําว่าอกินเจนังก็คือกิเลสเครื่องกังวลก็คือราฆะโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุจริตเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลอมตะนิพพานเป็นที่ละเป็นที่สงบเป็นที่สละคืนเป็นที่ระงับเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่นนะนะก็คือไม่มีตัณหาราคาสราคาอภิชาโลภากุศลมูลที่เป็นเครื่องถือมั่นเนี่ยนิพพานนี่ก็ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องถือมั่นอย่างนี้ธรรมะนี้เชื่อว่าเป็นธรรมะที่พึ่งนะไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นคือพึ่งได้จริงๆเป็นที่ต้านทานเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่เกาะสาระเนี่ยนะเป็นคติที่ไป ไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นคือที่พึ่งอื่นคือที่พึ่งอย่างอื่นจากนิพพานเนี่ยไม่ได้มีที่พึ่งที่สงบที่ปลอดภัยยิ่งกว่านิพพานไม่ได้มีโดยที่แท้ที่พึ่งนั้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเลิศประเสริฐพ้นวิเศษเป็นประธานสูงสุดและอย่างยิ่งอันนนอมตะนิพพานนั้นเป็นที่ละเป็นที่สงบเป็นที่สละคืนเป็นที่ระงับตันหาเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะ นิพพานนั่นแหละเป็นที่สิ้นชราและมัจจุคําว่าอมตะนิพพานเป็นที่ละเป็นที่สงบเป็นที่สละคืนเป็นที่ระงับแห่งชราและมรณะเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงชื่อว่าสิ้นชราและมัจจุสรุปว่าเราขอบอกนิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมัน่นไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจจุนี้นั้นว่าธรรมะเป็นที่พึ่ง พระอรหันตขีนาศบเหล่าใดรู้ทั่วถึงนิพพานนั้นแล้วเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วดับแล้วพระอรหันตขีนาศบเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ไม่ไปตามอำนาจแห่งมารไม่มีอ่ไม่ไปบำรุงมารพระอรหันนี้ไม่บำรุงมารแล้วท่านบำรุงพระพุทธเจ้ า, าก็ต้องเป็นพระอรหันตขีนาศนะที่รู้ทั่วถึงนิพพานอย่างนี้ อธิบายว่าคําว่าเอตังคืออมตะนิพานนั้นะสงบประงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกําหนัดความดับความออกจากตันหาเครื่องร้อยรัดอมตะนิพานเสําคัญคืออั ญ, ญายะแปลว่ารู้ทั่วถึงพระหันตะขีนาศบเนี่ยนะรู้ทั่วถึงคําว่ารู้ทั่วถึงเนี่ยหมายถึงรู้ทั่วถึง อริยสัจนะนะรู้ทั่วถึงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมรู้แจ้งอนะเหตุเกิดความดับอสาศทะอาทีนวะนิสรณะของมหาภูต ร, รูปสีอุปาทานขันห้าภาษายตนาหนะรู้แจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธถ า, ามินีปฏิปทานนะ ตลอดจนถึงรู้อภิญยญาธรรมปนิญยญาธรมรมปหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัจจิกาตปธรรมสุดท้ายก็คือรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหันพาหันตะขีนาศนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีสติก็คือมีสติเจริญสติประธานเครื่องพิจรารณาเห็นกายในกายมีสติเจริญสติประธานเครื่องพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะในธรรมะเนี่ยนะ พระรหัน์เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นแล้วดับแล้วคือเห็นแล้วมีธรรมะอันรู้แล้วเทียบเคียงแล้วมีธรรมะอันพิจารณาแล้วเจริญแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วเป็นผู้ดับแล้วก็คือดับราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธริษยามานะทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอากูสลาพิสังขารทั้งปวงพระท่านเนี่ยเป็นผู้ดับกิเลสดับสมุทัยดับทุกได้ดับเหตุแห่งวัฏฏะทุกข์ได้หมดแล้ว ผู้ประกอบมหาชนไว้ในบาปประรมแล้วให้ตายผู้ประกอบมหาชนไว้ในธรรมดำเป็นผู้เอ่อผู้เป็นใหญ่ผู้มีส่วนสุดแห่งอกุศลผู้ไม่ปล่อยมหาชนผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาทเชื่อว่ามานคำว่า ม, มารเนี่ยนะเราเป็นชื่อของผู้ที่ประกอบมหาชนไว้ในบาปแล้วก็ให้เข้าตายเหมือนกับว่าประกอบให้เขาอยู่กับทุกข์กันนะ ผู้ประกอบมหาชนเอาไว้ในธรรมดำํำผู้มีในส่วนสุดแห่งอกุศลธรรมแล้วก็ไม่ปล่อยมหาชนไปทําให้มหาชนเนี่ยประมาทมัวเมาอยู่นั่นแหละผ้ารันตขีนาศพเหล่านั้นน่ยไม่เป็นผู้ไม่ไปตามอํานาจมารความว่าผ้ารันตขีนาศพนั้นย่อมไม่เป็นไปในอํานาจมารแม้มารก็ยังอํานาจให้เป็นไปในพระขีนาศพเหล่านั้นไม่ได้ พระทหานตะขีนาศพเหล่านั้นครอบงำขคมขีท่วมทับกำจัดย่ำยีซึ่งมารพวกของมารบ่วงมารเบ็ดมารเหยื่อมารวิสัยมารที่อยู่แห่งมารโคจรแห่งมารเครื่องผูกแห่งมารย่มอยู่ดำเนินเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาทานพระหารเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลายบ่วงมารได้เรียบเร็วหมดแล้ว พระรหารตะขีนาศพเหล่านั้นน่ะไม่ไปบำรุงมารคือไม่ไปบำรุงเที่ยวบำรุงบำเรอรับใช้มารผู้ที่ติดข้องในสังขารธรรมทั้งปวงเรียกว่าผู้รับใช้มารเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นวิสัยของมารเนี่ยเป็นบ่วงของมารเป็นเบ็ดของมารพระทหารเมื่อท่านตัดฉันทราค่าในสังขารทั้งปวงได้แล้วเนี่ยท่านจึงไม่ต้องรับใช้ม า, า, ารพระรหันตะขีนาศพเหล่านั้นน่ะเป็นผู้บำรุงเที่ยวบำรุ ง, บ ำ, ร ง, บ, ำรงบำเรอรับใช้พระผู้มีพระภาค ผู้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันตขีนาศบเหล่านั้นไม่ไปบำรุงมารสรุปว่าพระอรหันตขีนาศบเหล่าใดรู้ทั่วถึงนิพพานนั้นแล้วเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วดับแล้วพระอรหันตขีนาศบเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไปตามอำนาจแห่งมารไม่ไปบำรุงมารท่านไปบำรงพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์ก็บอกธรรมะที่ สำหรับเป็นที่พึ่งของผู้ที่อยู่ในท่ามกลางวัฏะเนี่ยนะผู้ที่อยู่ในท่ามกลางสงสารอันผู้ที่เข้าถึงธรรมอันเป็นที่พึ่งคือพระนิพพานอย่างนี้แล้วเขาก็คือพระอรหันต์ น, น, นั่นแหละท่านพระอรหันต์นั้นท่านรู้ทั่วถึงท่านไม่เป็นไปตามอํานาจของมานก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากสงสารได้อย่างจริงๆทิงนเวลาจบคถาเทวดาและมนุษย์ที่สั่งสมบุญ ร, ร่วมกันมากับ กับปะมานพนั้นก็บรรุมมรผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นถึงอนาคามีผลส่วนท่านกับปะมานพกับลูกศิษย์ของท่านก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์